วิธีสละจีวรที่เป็นนิสกีสละแก่สงฆ์ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาสง์ห่มอุตราสงฆ์ฉเฉียงบ่าข้างหนึ่งปราบท้าภิกษุผู้แก่พรรษานั่งกระโยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญจีวรผืนนี้ของกระผมอยู่ปราดเกินหกคืนเป็นนิสกีกระผมสละจีวรผืนนี้แก่สงฆ์ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัต ภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัติพึงคืนจีวรที่เธอสละให้โดยยติกัมมะวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าจีวรของภิกษุชื่อนี้เป็นนิสกีเธอสละแก่สงฆ์ถ้าสงฆ์พร้อมก็แล้วก็พึงให้จีวรพื้นนี้แก่ภิกษุเช่อนี้สละแก่คณะภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุหลายรูปห่มอุตราสงฆ์เฉียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่ปัญษา นั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้จเจริญจีวรผืนนี้ของกระผมอยู่ปราดเกินหกคืนเป็นนิสกีกระผมสละจีวรผืนนี้แก่ท่านทั้งหลายครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัตภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัตพึงคืนจีวรที่เธอสละให้ด้วยกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงฟังข้าพระเจ้าจีวรผืนนี้ของภิกษุชื่อนี้เป็นนิสกีเธอสละแก่ท่านทั้งหลาย ท่านตั้งหลายพร้อมกันแล้วก็พึงให้จีวันเพื่อนี้แก่ภิกษุชื่อนี้สละแก่บุคคลภิกษุรูปนั้นพึงก็ไปหาภิกษุรูปหนึ่งห่มอุตราสง์เฉียงบ่าข้างหนึ่งนั่งประยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านขอราบจีวันเพื่อนี้ของกระผมอยู่ปราดเกินหกคืนเป็นนิสกีกระผมสละจีวันเพื่อนี้แก่ท่านครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัตภิกษุผู้ได้รับ สละนั้นพึงรับอาบัตแล้วคืนจีวันที่เธอสละให้ด้วยกล่าวว่ากระผมคืนจีวันผืนนี้ให้แก่ท่าน